คำสอนของพระพุทธเจ้าคือเรื่องส่วนตัวของพระองค์พระพุทธเจ้าสอนเราเนี่ยคำสอนทุกคำพูดมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพระองค์ไม่ใช่เรื่องอื่นพระองค์ตรัสรู้ธรรมะนี่ก็คือรู้ของจริงรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญปฏิบัติสิ่งนี้ จิตบริสุทธิ์สะอาดบรรลุพระนิพพานท่านรู้อย่างนี้เพราะฉะนั้นคำสอนอันใดที่พระองค์นำมาสอนเราคือเรื่องส่วนตัวของพระองค์โดยแท้เช่นพระองค์สอนว่าสิ่งนี้มันเป็นบาปนะอย่าทำหมายความว่าพระองค์เคยทำบาปอย่างนี้ตกนรกมาแล้วตั้งแต่ชาติก่อนโนน พระองค์บรรลุวิชาสามซึ่งเรียกว่าไตรวิชาปุเพนิวาสานุสติยานการระลึกชาติผนหลังได้นั่นแหละเป็นวิชาที่พระองค์ได้บรรลุในเบื้องต้นจุตูปปาตายานการรู้การจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายรู้การตายและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรม เนี่ยเป็นวิชาที่สองวิชาที่สามรู้อสวกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ต้องทำกรรมคืออวิชาความรู้ไม่จริงในเมื่อรู้ไม่จริงรู้ผิดรู้ถูกก็ทำผิดทำถูกในเมื่อทำผิดทำถูกแล้วมันก็ต้องมีผลตอบแทนทำดีก็ไปดีทำชั่วก็ไปชั่ว เพราะฉะนั้นโดยอาศัยเหตุที่พระองค์ได้ทรงรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสงสารบรรดาสัตว์ทั้งหลายท่านก็มาสอนและตั้งกฎเกณฑ์ให้เราปฏิบัติตามถ้าใครไม่อยากตกนรกให้รักษาศีลห้าเหมือนกับท่านบอกว่าอย่างนี้ศีลห้าข้อนั้นแหละเป็นการละเว้นจากความบาปและความชั่วทั้งหลาย หากว่าละเมิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งตกนรกทันทีถ้าปฏิบัติถูกต้องก็พ้นจากนรกสมาธิภาวนาสร้างจิตให้มีพลังงานให้มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวจริงใจอดทนเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องเผลอไปละเมิดโทษตามกฎของศีลห้า